ก็ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ปฐมยาเมเทศนารายการธรรมะที่จะพาทุกท่านเข้าสู่โลกแห่งจิตใจเพื่อความสงบก่อนเข้านอนกับพิชาโตพิคุสำหรับคราวที่แล้วเราได้พูดกันถึงว่าเวลาที่เรามีสติแล้วไม่ได้แช่ในอารมณ์เนี่ยเราจะเอามันไปใช้งานยังไงได้ต่อ ซึ่งมันเป็นพื้นฐานจำเป็นนะสหรับนักภาวนาที่จะต้องการความก้าวหน้าพัฒนาจากสมาธิไปสู่คำว่าการพิจารณาแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นก็อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยได้มาเข้ารูปแบบซะหน่อยหนึ่งคือการที่เรามานั่งฟังธรรมโดยการที่เรามานั่งคูบัลลังคือนั่งขัดสมาธินี่แหละแล้วก็ตั้งกายให้ตรง ดำรงสติไว้เฉพาะหน้าซึ่งในที่นี้ก็คือลมหายใจที่จมูกของเรานี่แหละสําหรับใครที่จะบริกรรมพุทโธก็ไม่ว่ากันเพราะว่ามันก็เป็นวิธีที่จะได้ทําความสงบมีสติอยู่เฉพาะหน้าเวลาที่เรามีสติเฉพาะหน้าแล้วเราก็ไม่ไม่แช่ในอารมณ์คอยเฝ้าระวังว่า จิตของเราเนี่ยมันเกิดอารมณ์อะไรแล้วเราไม่มีความที่จะไปยินดีพอใจในอารมณ์สงบที่เกิดขึ้นแล้วก็นำความรู้สึกที่มันเป็นเราเนี่ยมาไว้ที่ลมหายใจจริงๆไม่ได้ไว้ที่ลมหายใจหรอกไว้ที่สติเฉพาะหน้านี่แหละซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นที่ที่เราจะทำงานตรงนี้ สำหรับคนที่ภาวนาไปได้สักพักหนึ่งเห็นถึงความสงบในใจเห็นถึงว่าเออเวลาที่จิตเรามันเป็นสมาธิจิตรวมมันก็มีสภาวะอยู่ตรงที่ท่ามกลางอกนี่แหละเราก็จะเห็นชัดเจนขึ้นว่าเออเวลาที่ใจสงบใจสบายใจสว่างใจผ่องใสมันก็อยู่ตรงท่ามกลางอกเรานี่แหละ แล้วก็เวลาที่มันขุนมัวเศร้าหมองเร่าร้อนมันก็อยู่ตรงท่ามกลางอกเรานี่แหละเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราจะต้องมาทํางานตรงนี้แหละกิเลสมันก็เกิดตรงนี้ธรรมะความสบายใจมันก็เกิดตรงนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ย การที่เราจะวิ่งหรือส่งใจลงไปเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องที่ที่ดีมันเหมือนนักมวยนักมวยลงไปต่อยเขาก็เจ็บเองใช่ไหมเจ็บเองเจ็บจริงแต่การที่เราเป็นโค้ชเป็นเทรนเนอร์คอยดูอยู่ข้างเวทีคอยกำกับให้เขาทำอย่างนั้นให้เขาทำอย่างนี้ แล้วเราก็มองภาพได้ค่อนข้างชัดเจนเราก็จะเห็นได้ว่าเวลาที่เราวางตัวเราเป็นเทรนเนอร์หรือเป็นพี่เลี้ยงอยู่ข้างวทีเนี่ยเราก็ไม่เจ็บเองใช่ไหมไม่เหมือนลักมวยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามีสติมีความเป็นเราตั้งอยู่ที่จมเพาะหน้าแล้วเวลาที่เราจะต้องการพิจารณาใคร่ครวน ถึงความเป็นไปภายในจิตเราก็ไม่ส่งใจออกไปจากสติเฉพาะหน้านี่แหละก็เหมือนเราทาตัวเป็นเทรนเนอร์นะแต่ไม่ใช่ว่าพอเราไม่ส่งใจเข้าไปตรงท่ามกลางอกแล้วเนี่ยมันจะพิจารณาไม่ได้ไม่ใช่การที่เรามีสติอยู่เฉพาะหน้าเอาความเป็นเราขึ้นมาอยู่ที่เฉพาะหน้าเราก็สามารถที่จะกาหนดดู กำหนดให้ใจสภาวะทางอารมณ์ในใจของเราเนี่ยมันคล้อยตามไปตามความเป็นจริงที่เรากําลังพิจารณาอยู่ได้ซึ่งถ้ามันเป็นอย่างนี้เนี่ยเราก็จะไม่เสียกําลังเราก็จะไม่เสียกําลังของจิตเนี่ยวางกันเถอะแต่การที่เราส่งเข้าไปอยู่ข้างในจิตเพ่งลงไป อันนี้มันก็ทำให้กำลังสติของเราเนี่ยมันลดน้อยถอยลงไประดับหนึ่งแล้วก็กลับไปแช่ในอารมณ์พอกลับไปแช่ในอารมณ์แล้วเนี่ยการที่มันจะเห็นได้ตามความเป็นจริงมันก็จะลำบากกว่าลำบากกว่าการที่เรายกความเป็นเราออกมาไว้ที่สติเฉเพาะหน้าแล้วก็ใครครวนพิจารณาไป เพราะการที่เราเข้าไปเนี่ยส่งลงไปในจิตพิจารณาเนี่ยมันมีได้มีเสียไงว่าเออมันผ่องใสมันเร่าร้อนขุ่นมัวก็เราเนี่ยแหละมีได้มีเสียกับมันแต่การที่เรายกใจของเรายกความเป็นเรามาไว้ที่สติเฉพาะหน้าเนี่ยพูดง่ายๆคือเราก็จะทอดอะไรในความดีความไม่ดีของจิตของเรา ทีนี้เราก็จะใคล้ครวนมันเนี่ยได้ยุติธรรมขึ้นมองเห็นเหตุมองเห็นผลที่มันเกิดขึ้นเนี่ยได้ถูกต้องตามความเป็นจริงมากขึ้นสำคัญนะการที่เราทอดอะไรในอารมณ์ดีความดีความผ่องใสของใจได้เนี่ยมันทำให้เราเนี่ยไม่ลำเอียงไง เพราะกันที่เราทอดอารมณ์ในใจได้เนี่ยแน่นอนคือเราก็ลดหรือว่าหย่อนความยึดถือในจิตของเราได้อีกระดับหนึ่งซึ่งการที่มันมีความยึดมีความถือมีความยินดีพอใจมันก็มีอุปาทานมีความยึดมั่นมีความถือมั่นในสิ่งสิ่งนั้นนั่นแหละทีนี้เรายึดเราถือมันมีอุปาทานเนี่ยมันก็ต้องมีภพมีชาติอยู่แน่นอน เพราะฉะนั้นมันก็ทำให้เราไปให้มันสุดปลายทางไม่ได้แล้วแบบพื้นๆสำหรับคนที่ภาวนาเริ่มภาวนาอยู่ใหม่ๆเราก็จะเห็นแบบนี้เนี่ยลำบากก็ไม่ต้องท้อใจเราก็เป็นไปตามสเต็ปของเราเนี่แหละก็คือการที่เรามีสติคอยเห็นกายเห็นใจเห็นความคิดอยู่อย่างนี้เห็นว่า ไอ้กายเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เรากําลังดูอยู่นะไม่ใช่ตัวเราหรอกเห็นว่าความคิดมันก็เป็นตัวส่วนหนึ่งมันไม่ใช่เราเห็นถึงอารมณ์ในใจมันก็เป็นสิ่งที่เราเห็นมันอ่ะเป็นสิ่งที่ถูกเราเห็นมันไม่ใช่เราเราก็คือสติที่เห็นมันนั่นแหละถ้าเราทําอย่างนี้ได้เนี่ยมันก็จะมีกุโนปการ ในการที่เราจะค่อยๆขัดกิเลสแล้วก็ไม่ลำเอียงได้แต่การที่เราอยู่ในชีวิตประจำวันมันก็มีทั้งอารมณ์ดีบ้างไม่ดีบ้างเนี่ยแหละนะเรามันจะทำอย่างนี้ได้ตลอดไหมก็ตอบว่ามันก็คงทำไม่ได้ตลอดหรอกแต่การที่เราใส่ใจที่เราจะพยายามรักษา โลกแห่งจิตใจของเราให้มันดาเนินควบคู่ไปกับโลกภายนอกให้มันได้เนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญของนักาวดาเพราะกันที่เราทำแต่การงานภายนอกแล้วก็ละเลยงานในภายในเนี่ยมันก็ทำให้การงานในภายในของเราเนี่ยมันไม่ต่อเนื่องนะเพราะว่าการที่เราเพ่งแต่เฉพาะเรื่องงานภายนอกอย่างเดียวเนี่ยพูดง่งายการกันกรอง ภัสสะการกลั่นกรองอารมณ์ที่จิตมันจะรับเข้ามาสู่โลกของภายในใจเนี่ยมันก็ลำบากทีนี้เวลาที่มันมีอารมณ์เสียเสียที่มันเป็นพิษกับจิตใจเข้ามาอยู่มากๆเนี่ยแน่นอนมันก็ต้องทำให้เราเสียเวลาที่จะมาเอาขยะเก่าๆออกไปด้วยขยะใหม่ที่เติมเข้ามาในวันนี้ออกไปด้วย เพื่อที่จะทำให้ใจของเราเนี่ยมันสงบก่อนมีความสงบสบายปรับอารมณ์ในใจให้กลับมาอยู่ที่ความเป็นกลางซึ่งถ้ามันไม่กลางแล้วเนี่ยมันก็เป็นใจที่ยังไม่มีคุณสมบัติเพียงพอที่จะนำไปพิจารณารู้เห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริง ฉะนั้นการที่เรามีสติอยู่เนี่ยก็เป็นเรื่องที่จําเป็นมีสติที่มันไม่แช่ในอารมณ์ก็เป็นเรื่องจําเป็นแต่สิ่งที่จําเป็นต่อจากสเต็ปอันนี้ก็คือกําลังความสงบและซึ่งคราวที่แล้วเนี่ยเราพูดกันถึงเรื่องความสงบเนี่ยดูเขาอาจจะไม่ค่อยเป็นตัวเอกเท่าไหร่แต่จริงๆแล้วเขาก็เป็นตัวเอกนะเพียงแต่ถ้า คนที่ใช้สมาธิไม่เป็นหรือมีความยึดติดยึดมั่นในสมาธิเนี่ยมันก็ยังไม่ดีอ่ะแต่ตอนนี้เรารู้แล้วว่าการที่เรามีสติที่มันไม่แช่ในอารมณ์เนี่ยมันจะดีกว่าแล้วทำให้เราสามารถก้าวขึ้นไปถึงจุดที่เรียกว่าการพิจารณาได้ดีก็ทำให้สมาธิมันก็เป็นสิ่งจาเป็น การที่ใจเราเป็นกลางการที่เรามีอารมณ์ในใจเป็นกลางเนี่ยมันก็คิดเอ่ยพิจารณาเอ่ยได้เท่าทันตามความเป็นจริงไม่ลำเอียงนะก็เหมือนคนชอบอ่ะใครชอบอะไรสักอย่างหนึ่งเวลาที่มันผิดมันพลาดเราก็ให้อภัยง่ายหรือก็ช่างมันได้มองไม่เห็นข้อเสียได้แต่อันไหนที่เราไม่ชอบเนี่ยโอ้ยข้อเสียนิดนิดหน่อยน่อยหรือมันยังไม่เสียเนี่ยเราก็ จัดเต็มจัดหนักไปเพราะฉะนั้นการที่ทําให้ใจมีอารมณ์เป็นกลางอย่างตั้งมั่นเสียก่อนเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่จําเป็นเพื่อที่จะเราจะนําไปพิจารณาซึ่งหลักๆแล้วเนี่ยการพิจารณาเนี่ยมันก็อยากจะแยกให้ท่านผู้ฟังได้เห็นถึงสองภาพเสียก่อนคือภาพแรกเนี่ยก็คือการที่เราอยู่ในชีวิตประจําวันเนี่ยมันก็มีทั้ง ัสสะที่มันเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใช่ไหมมันก็ทำให้เราต้องต้องคอยหมั่นพิจารณาเหมือนกันแหละว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันเข้ามาแล้วมันก็ไม่เที่ยงเราก็ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นอะไรอย่างนี้ซึ่งมันก็เป็นเรื่องจำเป็นแต่หลังจากที่เราลดภสษะลงตรงนั้นได้แล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องทำด้วยนะสิ่งที่ต้องทาจำเป็นต้องทำก็คือ ย้อนกลับมาพิจารณากายของเราเองกายของเรากายของคนอื่นมันหลีกเลี่ยงไม่ได้นะหลีกเลี่ยงไม่พ้นที่เราจะต้องมาพิจารณากายด้วยถ้าเปรียบเทียบเนี่ยไอการพิจารณากายเนี่ยมันเหมือนเป็นงานหลักงานหลักที่เราต้องทำอยู่ตลอดเป็นงานหลักที่เราจะต้องทำอยู่เรื่อยๆแต่ส่วนพัสสะที่ มันมากระทบเราจากท้งตาหูจมูกลิ้นความคิดนึกปรุงแต่งไปอันเนี้ยมันก็เหมือนเป็นงานงานแทรกอะงานแทรกงานด่วนที่เหมือนหัวหน้าต้องการต้องการงานเร่งเนี่ยเราก็ต้องพระจัดงานหลักเนี่ยมาทำให้ก่อนใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้มันก็เป็นภาษาที่มันทำให้ใจของเราเนี่ยมันปั่นป่วนเราก็ต้องมาจัดการมาสักนหน่อยหนึ่งก่อนเพราะ จัดการได้เรียบร้อยดีระดับหนึ่งแล้วเนี่ยก็ต้องอย่าลืมที่จะมาทำงานหลักก็คือพิจารณากายเพราะการที่เรามาพิจารณากายเห็นถึงความไม่สวยไม่งามเห็นถึงความเป็นปฏิกูลโสโครกของร่างกายอันนี้เห็นถึงความไม่เที่ยงของกายอันนี้มันก็จะทำให้เราเข้าใจ เกี่ยวกับความเป็นไปในสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นด้วยเพราะกันที่เราเข้าใจลึกซึ้งถึงว่ามันก็ไม่มีความเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนเที่ยงแท้แน่นอนหรอกพอใจเราเริ่มลึกซึ้งกับความรู้สึกอันนี้แล้วเนี่ยมันก็พลอยทำให้การพิจารณาผัสสะที่มันมากระทบ แบบขาจรเนี่ยทางตาหูจมูกลิ้นทาให้เราขัดเคลื่องทาให้เรามีราคะมีความกําหนังยินดีเหล่านี้เนี่ยมันก็ทําให้เราเข้าใจแล้วเราก็ปล่อยมันได้เร็วขึ้นด้วยมันก็เอื้อเอื้อกันลนะ่ะงานจรมันก็ทําให้เรามีความรู้หลากหลายแง่เงื่อนในความเป็นไปของธรรมชาติอันนี้ แล้วความที่เรามาพิจารณางานหลักคืองานพิจารณากายเนี่ยเราก็จะเห็นถึงความเป็นไปของธรรมชาติเหล่านี้ได้ดีขึ้นว่ามันก็ไม่เที่ยงหรอกแล้วการที่มันอะไรจะมากระทบใจเราเนี่ยมันกระทบได้มากเพราะมันมีคําว่าเราแปะเอาไว้แต่การที่เรามองเห็นถึงความจริงตรงนี้มองเห็นถึงความจริงว่ามันไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลที่มันเที่ยงแท้แน่นอน เราก็จะเห็นถึงความไม่มีสาระไม่มีแก่นสารของสิ่งต่างๆเนี่ยได้ดีขึ้นชัดเจนขึ้นที่ใจพอกันที่เรามองได้เข้าใจตามความเป็นจริงว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีสาระอะไรมากเนี่ยมันก็เป็นเรื่องสมมติแต่เรื่องสมมติมันก็มีสาระในระดับของสมมตินั่นแหละ เพราะฉะนั้นการที่เราต้องอยู่บนโลกใบนี้เราก็ยังต้องใช้สมมติอยู่แต่เราก็ไม่ไม่ยึดถือสมมุติมากเท่าเก่าละเรารู้ว่ามันเป็นเครื่องมือที่เราจะดำรงอยู่ระดับหนึ่งแต่สุดท้ายปลายทางแล้วเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ได้มีสาระแท่งแท้เพราะฉะนั้นเราก็จะคลายความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆเนี่ย ได้ดีขึ้นซึ่งการที่เรามาหมันพิจารณากายเราอยู่เรื่อยๆเนี่ยมันจึงเป็นคุณูปาการมากๆทำไมคุณบาอาจารย์ถึงบอกว่าเออเรามาเรามีความสงบแล้วเราก็มาดูกายเราเบอ่อยๆซึ่งพอใครได้หัดทําอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็จะค่อยๆลึกซึ้งละเอียดละอ เข้าไปในใจเนี่ยว่าโอ้จริงๆแล้วเนี่ยกายคตาเนี่ยมันดีนะมันทำให้จิตใจของเราเนี่ยมันเบาสบายปลอดโปร่งแล้วพอที่เรามีสติอยู่เฉพาะหน้าแล้วก็เอาความเป็นเราเนี่ยมาฝากไว้ที่สติไม่ได้ไหลลงไปพิจารณาข้างในเหมือนเก่าเราก็เหมือนเราอยู่บนเชิงเทินหรือไม่เราก็เหมือนเปรียบเหมือนกับเราเป็นพี่เลี้ยงนักมวยนะ เราก็คิดพิจารณาไปความเป็นเราก็อยู่ที่สติเฉพาะหน้าอันนี้แล้วก็เอาความรู้สึกในใจที่มันสงบสบาย น, นี้เนี่ยพิจารณากายไปว่ามันเที่ยงจริงไหมว่ามันสะอาด จ, จริงไหมมันเป็นของน่ารักน่าใคร่น่าเอ็นดูน่ายึดถือจริงอย่างนั้นหรือเปล่าอย่างยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเราเปิดหนังออกไปเนี่ย ผิวหนังเราเหรอนะหนังเราหนังเขาเนี่ยมันก็เปิดออกมามันมันเหมือนกันนั่นแหละมันก็มีเลือดมีเนื้อมีเส้นเอ็นมีไส้มีตับมีปอดมีม้ามซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยถ้าเราดูเข้าไปแล้วเนี่ยใจเราก็ตอบได้ว่ามันก็ไม่ใช่สิ่งที่เรารู้สึกยินดีกับความสวยความงามกลับกลายเป็นว่าเรารู้สึกเป็นสิ่งที่มันเป็นปฏิกูล น่ารังเกียจเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเห็นอย่างนี้บ่อยๆเนี่ยเวลาที่เราใช้ชีวิตประจำวันแล้วเนี่ยความจริงอันนี้ที่เราเห็นเนี่ยมันก็จะคอยมาเป็นสิ่งเตือนใจถ้าความาำนัดยินดีความรักใคร่มันเกิดขึ้นในใจในแบบเก่าๆความจริงอันนี้แหละมันก็จะคอยมาเตือน คอยมาส ก, กิดใจเราอยู่เรื่อยๆว่าโอ้ยไม่ใช่หรอกความเป็นจริงเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ของสิ่งเดียวเนี่ยมันจะมีความจริงได้หลายอย่างได้ยังไงมันต้องมีปลอมอันหนึ่งจริงอันหนึ่งนั่นแหละแล้วมันก็จะเห็นได้ว่าไอ้ความเป็นปฏิกูลความที่มันไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเนี่ยอันนี้มันจริงกว่าจริงจริงจริงจริงแบบทิ่งแท้เพราะฉะนั้นเราก็จะ คลายความเห็นคลายทิฏฐิแบบเก่าๆออกไปมีความปล่อยปล่อยทิฏฐิปล่อยความเห็นแบบเก่าๆออกไปเพราะฉะนั้นความกำนัดความยินดีมันก็ลดน้อยลงนิพิทาคือความหน่ายมันก็เกิดขึ้นพอเราทำได้อย่างนี้เนี่ยบ่อยๆบ่อยๆมันจะเสมือนว่าเรามันไม่ได้เห็นทิตานะ ไม่ได้เห็นที่ในตานะแต่มันจะเห็นที่ตาในคือความรู้สึกในใจของเราเนี่ยว่าเราก็มองด้วยตาเนื้อแบบเก่าแต่สิ่งที่เราเห็นคือเราเราฉีกสมมติออกมาฉีกสมมติออกมาใจเราได้หลุดพ้นออกจากสมมติสมมติแบบเก่าๆ เ, เพราะฉีกสมมติออกมาปุ๊บเนี่ยมันไม่ได้ตั้งใจฉีกนะ แต่มันเป็นสภาวะที่มันเหมือนกับมันแยกออกมาสมมุติมันแยกออกมาพอมันแยกออกมาแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าโอ้มันเบามันสบายการที่เราไม่มีสมมุติแบบเก่าๆครอบใจเราเนี่ยมันดีมากแล้วใจเราก็จะสง่าพาเผยเป็นใจที่สว่างสวยเป็นใจที่ปลอดโปร่ง เบิกบานแล้วก็ได้รับความสุขในแบบใหม่ในแบบที่มันเยือกเย็นประณนี่เพราะฉะนั้นมาพูดถึงตอนนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่อยากจะเตือนแล้มาฟังก็คืออันนี้มันเป็นผลนะ่ก็มาพูดถึงการกระทำแล้วพูดถึงผลให้ฟังแล้วแต่สิ่งที่อยากจะ ให้ถ้าไปฟังคอยระมัดระวังก็คือฟังผลได้ว่ามันมีอะไรแต่เราอย่าไปสำคัญมั่นหมายกับผลว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นแบบที่ที่สภาวะที่เขาว่าอันไว้อย่างนั้นเวลาที่เราปฏิบัติแต่การที่เราปฏิบัติแล้วเนี่ยเราให้เอาใจของเราเนี่ยไปเข้มข้นอยู่กับเหตุ เหตุก็คือม <ẫ Mel inda novo> ีสติมีพิจารณาถึงความไม่เท <tan> ี่ยงของกายมีพิจารณาถึงความไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆพอเห็นว่ามันไม่เที่ยงมันก็เป็นทุกข์มันไม่มีตัวตนเราเขาที่เที่ยงแท้เหล่านี้พอเราหมั่นพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆผลที่ได้มันปรากฏในใจของมันเองมันเข้าใจมันถึงถึงจุดหนึ่งอ่ะมันเข้าใจมันก็ไป อ๋ออยู่ในใจของเราเองแต่ไม่ต้องไปกะเกณฑ์ว่าถ้าเราพิจารณาอย่างนี้แล้วจะต้องถึงตรงนี้ต้องวางถึงตรงนี้ต้องเข้าใจอย่าไปทําอย่างนั้นเราทําไปเรื่อยๆได้ผลยังไงก็ยอมรับในผลที่มันปรากฏถ้ามันยังไม่ถึงก็หมั่นพยายามทําไปมีความเพียรทําไปแล้วก็ไม่ต้องไปเหมือนกับไปลอกข้อสอบอ่ะ เขาว่าอย่างนั้นต้องเกิดอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเราไม่ต้องให้เกิดให้เห็นให้รู้ผลจากการปฏิบัติเนี่ยในในในผลของการปฏิบัติของเราเองความรู้ความเข้าใจที่มันเกิดขึ้นเนี่ยแต่ละคนแต่ละคนมันก็เข้าใจในในสิ่งเดียวกันแต่มันอาจจะเมือนขึ้นเขาอะมันขึ้นคนละทางขึ้นทางทิศตะวันตกก็ได้ทางทิศตะวันออกก็ได้ เพราะฉะนั้นการที่ภาพภาพรายทางเนี่ยมันก็อาจจะไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่แต่สภาวะคือความปล่อยวางความไม่ยึดมั่นถือมั่นความไม่ยึดติดอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกันแน่นอนอันนั้นคือผลแต่ไอภาพรายทางก่อนที่มันจะไปถึงยอดตรงเนี้ยอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้เพราะฉะนั้นของใครของมันขอให้มันที่จะทําให้มันบ่อยๆ ทำให้มันถูกได้บ่อยๆเราก็จะได้รับผลอันเลิศจากการที่เรามาประพฤติปฏิบัติธรรมในศาสนาอันนี้ซึ่งผลของการที่เรามาปฏิบัติธรรมตามคำสอนที่พระศา ส, สดาสแสดงแจกแจงเอาไว้เนี่ยคือการที่เราจะทำที่สุดแห่งทุกข์ให้เกิดขึ้นได้ถึงความสุข ที่เป็นประมังสุขขังคือความสุขที่เลิศสุดๆวันนี้ก็หมดเวลาแล้วเอาไว้คราวหน้าค่อยมาเจอขึ้นใหม่จเจริญพร